นิทานไทยลูกเป็ดขี้เรบ่ายรดูร้อนเจิดจ้าแม่เป็ดเห็นที่เหมาะสำหรับวางไข่ใ ต, ต, ต้ต้นไม้ริมสระน้ำเธอวางไข่ห้าฟองจูจๆเธอสังเกตเห็นไข่หนึ่งฟองที่ต่างจากใบอื่นๆเธอรู้สึกแปลก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ เธอจึงรอจนไข่ฟักเช้าวันหนึ่งในที่สุดไข่ก็เริ่มฟักที่ละฟองลูกเป็ดร้องกาบกาบไข่ทุกใบฟักออกมาเป็ดโผล่หัวองมาดูโลกกว้างทุกฟองยกเว้นฟองหนึ่งโอ้ลูกแม่น่ารักจังเลย แม่ช่างโชคดีนักกืออะไรขึ้นกับฟองที่ห้าเนี่ยแม่เป็ดเริ่มกังวลไข่ใบสุดท้ายใช้เวลานานนักนะเธอนั่งกกไข่ให้ความอบอุ่นเท่าที่เธอให้ได้ลูกเป็ดตัวนี้จะสวยที่สุดเพราะใช้เวลาฟักนานที่สุดเลยแม่มั่นใจเลือกเกิน เช้าอากาศดีวันหนึ่งเมื่อไข่ฟักออกมาลูกเป็ดเน่าเกลียดสีเทาเออกมาจากไข่ลูกเป็ดตัวนี้ต่างจากพี่น้องของมันพี่พมันตัวโตวและเน่าเกลียดพี่พิลูกเป็ดตัวอื่นไม่น่าตาแบบนี้ตัวนี้อาจจะขีเหรหน่อยออเป็นไปได้ไงเนี่ยแม่เป็ดแปลกใจและเสียใจที่เห็นลูกของเธอ เธอหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเติบโตเหมือนพี่น้องของเขาแต่หลายวันผ่านไปลูกเป็ดยังคงที่เรศพี่น้องของเขาหัวเราะเยาะและต่างไม่เล่นกับเขาลูกเป็ดขี่เรเศร้าเสียใจหน้าตายนักเกลียยจังเลยอ่ะเป็นเป็ดที่นักเกลี่ยที่สุดในโลกเลย ไปให้พวนน่าขีเลจังเลยเราจะไม่เล่นกับเธอเจ้าตัวประหลาดทุกตัวกัรักเขาลูกเป็ดขิเรได้แต่น้อยใจลูกเป็ดขิเรไปที่สะน้ําแล้วมองเงาสะท้อนของตัวเองในสะน้ําไม่มีใครชอบฉันฉันมันน่าเกลียดลูกเป็ดขิเรตัดสินใจไปจากครอบครัวออกไปในป่าลึก ลูกเป็ดขี้เรเดินเร่ร่อนตามลำพังไม่นานหน้าหนาวมาเยือนหิมะตกตลอดเวลาลูกเป็ดขี้เรโศกเศร้าเล่นหนาวสั่นเพราะความเย็นแต่หาอาหารหรือที่อบอุ่นไม่ได้ <c oughs> เขาไปหาครอบครัวเป็ดแต่ไม่มีใครยินดีต้อนรับขี้เรจังเลยต่ขี้เรนี่ไกลกันนี่ เขาไปอาศัยในเล้าไก่ที่นั่นแม่ไก่ต่างจิกเขาจนต้องหนีออกมาระหว่างทางเขาพบสุนัขสุนัขเห็นเขาแล้วเดินจากไปลูกเป็ดขี่เหรคิดในใจว่าฉันหน้าตาขิเลร่แม้แต่สุนัขยังไม่อยากกินฉันเลยลูกเป็ดขีเหรเดินเร่ร่อนไปในป่าอีกครั้ง ที่นั่นเขาพบชาวนาและพาเขากลับบ้านไปหาภรรยาและลูกของเขาแม้ที่นั่นเขาก็ยังถูกแมวรังควานเขาจึงออกจากบ้านชาวนาไม่นานก็ถึงฤ ด, ด้ใบไม้ผลิทุกอย่างเคียวชะอมอีกครั้งเดินไปเรื่อยๆเขาเห็นแม่น้ำเขาดีใจที่ได้เห็นน้ำอีกเขาเข้าไปใกล้แม่น้ำ เขาเห็นหงสวยสง่าว่ายน้ำอยู่เขาหลงรักเธอลูกเป็ดขี้เรละอายใจตัวเองและกล้มหัวลงเมื่อเขาก้มหัวลงเขาเห็นเงาตัวเองในน้าเขาประหลาดใจเขาไม่ได้ขี้เรอีกต่อไปแล้วเขาเติบโตเป็นหงรูปงาเขารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงแตกต่างจากพี่น้องของเขาเพราะเขาเป็นหงง และพวกนั้นเป็นเป็ดเขาแต่งงานกับแม่หงสวยที่เขาตกหลุรักพวกเขาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขตลอดกาลนาน